เหตุนี้เรื่องคาพูดชนี้หาพุกโยมเมื่อหยุดกันเวลานี้แล้วอาตมาก็จะเขียนรายงานไปแจ้งเรียนต่อเจ้านายในเมืองขอนแก่นผู้ท่านรักษาชาติพระศาสนาดูละเพราะอาตมามาอยู่นี่ไม่เคยก่อกรรมทาผิดกับพวกญาติโยมใดๆเลยเรียกคนเข้าคนแก่ผู้ชายผู้หญิงก็เรียกพอออกไม่ออกเหมือนกันกับอาตมาเรียก พ่อเรียกแม่ผู้ตมาได้เกิดด้วยเหมือนกันก็รู้อัตมาได้ข้าวได้อาหารกับพวกพ่อออกแม่ออกได้ทำบุญมาฉันเลี้ยงชีวิตของอัตมาให้เป็นอยู่เหมือนดังพ่อแม่ได้สอนว่าใครได้เลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ถ้าเป็นผู้ชายให้เรียกเป็นพ่อออกถ้าเป็นผู้หญิงให้เรียกเป็นแม่ออกอัตมาได้เรีกอย่างพระองค์นั้นสอนมา ก็จะให้อัตมาเคารพนับถือญาติโยมไปถึงไหนอีกไม่มีเล่าพวกโยมก็จะยังมาหาเรื่องเวดชามใส่อัตมาอยู่จึงว่าอัตมาจะได้ร้องเรียนให้ท่านเจ้านายทราบดูแน่ละ่ะต่อไปหากไม่หยุดกันแล้วโยม จ, จารัสโจ้อย่างไรกันเรื่องนี้ถ้าอัตมารเรียนไปถึงท่านเจ้านายจะมีผิดไหมดังนี้ อาจารย์สั่งจริงว่ามันก็ผิดนั่นขอรับแต่ผมข อ, อกับท่านอาจารย์ไว้ก่อนแล้วแก่จรงร้องเรียกลุกไปหาพวกพลีพรที่ยืนอยู่ข้างล่างนั้นว่าพวกเราที่ยืนอยู่ข้างล่างนั้นใครพูดกับพระไม่เป็นให้หยุดเสียให้ขึ้นมาบนศาลาพักมูอยู่นี่หรือจะพาไปกลับบ้านเสียก็ได้พระกับโยมฟ้องร้องกัน ่ยมร้อยคนพันคนก็สู่พระองค์เดียวไม่ได้เลยเพราะพวกเจ้านายท่านเชื่อคำพระด้วยพระท่านพูดมีศีลธรรมพวกเจ้านายที่ได้เชื่อท่านมากกว่าโยมแบบนี้จานสังพูดกับเขาดังนี้พวกอยู่ข้างล่างที่้เตรยมพา ก, กันกลับบ้านกันหมดไปแล้วจานสังจึงถามปัญหาข้าพเจ้าว่าใหญ่ยิ่งกว่าใหญ่ที่จุดในโลกได้แก่อะไรก็พระเจ้าทึงตอบว่า ปัญญาความตรัสรูของพระพุทธเจ้าจนโลกใหญ่ๆไม่ทับไม่ครอบพระองค์ได้ท่านจึงไปอยู่พระนิพพานอยู่ระโลกอย่างนั้นได้จา์สังก็รับว่าถูกลและถามอิกว่ามืดกว่าสิ่งใดในโลกให้แก่อะไรก็ปพะชาตอบว่าได้แก่อวิชชาหรือโมหะหัวใจคนเรามืดไม่รู้จักสังขารจึงให้สังขารมัน ทับจนได้เป็นธาตุของตัณหาเป็นอยู่หมดทั้งโลกกันดังนี้จารสังก็รับว่าถูกหลักและถามอีกว่าหนักที่สุดในโลกได้แก่อะไรก็พระเจ้าตอบว่าได้แก่โทสะความไม่รู้เท่าทาีนขันห้าจารสังก็รับว่าถูกหลักและถามอีกว่าร้อนกว่าอะไรที่สุดในโลกได้แก่อะไร ข้าพเจ้าตอบว่าได้กแก่โมหะความไม่รู้เท่าราคาโทสะโมหะอันเป็นไฟของหัวใจหลงเป็นธรรมชาติของร้อนมันจึงเผาผานเอาหัวใจคนสัตว์ให้ร้อนเป็นมหันตทุกข์ใหญ่ในโลกนี้ดังนั้นสารสังก็รับว่าถูกหลักพอพอดีเวลาจะเข้าถึงเจ็ดทุ่มสารสังก็ได้ชวนหมู่กลับบ้าน จากนี้ไปก็ไม่มีเรื่องอะไรอีกจบเรื่องเบื้องต้นแต่เท่านี้เรื่องจานสังเพราะหมู่ของแกฟ้องร้องยังอยู่ตอนหลังตอนเช้าวันสิบค่ำพวกผู้ใหญ่บ้านจึงมาพูดกับข้าพเจ้าว่าพวกจานสังและผู้ใหญ่บ้านถูกพวกหมู่เขาโจษ และกโกรธให้เป็นการใหญ่แต่ข้าพเจ้าไปอยู่นําพวกผู้ใหญ่บ้านสร้างชี่พักขึ้นทั้งเขาโกโรธผู้ผู้ใหญ่บ้านและถายกวัดเท่าแก่เท่าจําผีรับไตรทนคมกับข้าพเจ้าเขาว่าพวกผู้ใหญ่บ้านพึ่ง เ, เข า, า, าเขาปกดผู้ใหญ่บ้านเองเลยและปวดเท่าจําผีหมดเลยเขาจึงเตรียงกันออกมาไล่ข้าพเจ้าให้หนี เขาบังคับไมใ่ใพวกผู้ใหญ่บ้านพูดสร้างการห้ามปราบเขาได้เลยเป็ น, นขาดถ้าพวกผู้ใหญ่บ้านยิน่งเคยมีปากเสียงห้ามเขาเขาจะลงมือมอบให้นายเอาเลยผู้ใหญ่พูดให้ข้าพเจ้าฟังอย่างนี้ข้าพเจ้าได้พาพวกโยมจัดที่พักขึ้นสิสวันก็เสร็จเรียบร้อยและรอฟังเรื่องของพวกโยมบ้านโสกแสง อยู่ไปอีสิบวันเห็นว่าเรื่องสงบอยู่ชุนิลาพวกญาติโยมทั้งหลายนำหมู่กลับไปกราบพระอาจารย์สิงห์ที่สำนักรุกข้อมูลโคกประช้าเหล่างาเพื่อฟังดูเรื่องของพระพเจ้าที่ได้เขียนข้อความที่ได้โต้กับโยมบ้านศกแสงส่งไปให้ท่านอาจารย์ทราบทุกวันไม่เห็นท่านตอบให้ทราบสักทีจึงอยากทราบเรื่องกับท่านเมื่อไปถึงก็เข้าไปกราบท่านแล้ว ท่านจึงพูดชมความสามารถของข้าพเจ้าในที่ประชุมใหญ่แล้วท่านจึงพูดเรื่องความต่างๆที่ได้ส่งไปกราบท่านให้ฟังว่าท่านได้ไปพูดกับพวกพเจ้านายมีเจ้ามืองเป็นต้นว้เดียวเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้จัดยากรูดีรอมพระเนรไปอยู่สำนักที่จัดขึ้นที่บ้านตกแต่งแทนข้าพเจ้าเป็นการเรียบร้อยจากนี้ไปไม่กี่วันพระอาจารย์สิงห์ ก็ได้นำไปจัดกุติขึ้นที่ป่าช้าบ้านดอนยางซึ่งเป็นบ้านญาติของพระอาจารย์สิงห์ก็พระเจ้าจัดขึ้นได้กุฏิเก้าหลังเสร็จส่วนศาลาและสิ่งอื่นพูกโยมจัดไว้เสร็จแล้วแต่สมัยพระอาจารย์สิงห์นาหมู่มาพักอยู่แถบมือขอนแก่งที่แรกโน้นพอจัดกุฏิขึ้นเสร็จแล้วก็กลับมากราบท่านอีกอยู่ไม่นานวัน ฝนหาใหญ่ได้ตกลงเป็นทีแรกที่เมืองขอนแก่นน้ำเต็มไปหมดเลยพวกโยมบ้านศกแสงไปจับปลาที่ทำนกที่พวกเจ้านายทำไว้เพื่อเอาน้ามาใช้ในเมืองขอนแก่นทำนกนั้นอยู่ใกล้บ้านศกแสงเมื่อเข้าไปจับปลากันมีคนแก่คนหนึ่งป่วยชักลงทันทีเลือดแตกออกจากปากออกจมูกออกหูพวกจานสังกับพิทพร ชุดเป็นปรักษาไมห่หายตายเลยเหตุนี้แหละพวกจา์สางเป็นต้นเลยเข้าใจว่าผีตะปูโกกรทรรมเรื่องข้าพ เ, เจ้าไปจะจสำนักขึ้นที่ดอนนั้นจึงพร้อมกันมาไลาย่ยะครูดีหนีถ้าไม่หนีเขาจะฟ้องโรงศาลดังนี้ท่านยะครูดีกลัวเขาได้หนีไปอีกหลักพวกโยงหมอลำก้อนจึงไปกราบเรียนพระจารย์สิงให้ทราบพระจารย์สิงจึงขอให้ข้าพเจ้า ไปพิจารณาเรื่องจานสังเขาจะฟ้องร้องอีกเประเจ้าไปถึงพวกจานสังเขามาพูดร้องขอว่าให้หนีหนึ่งและขอให้ยกวัดออกไปจากดอนอตาปูนี้ให้ได้หนึ่งเกระเจ้าพูดบอกเขาว่าการใช้พระหนีจากสำนักนี้ผัดข้องหลายอย่างเวลานี้ก็จวนจะเข้าภาษาอยู่แล้วจะไปจากสำนักที่ไหนไม่ทันเสียแล้ว ทั้งสำนักนี้ก็มีพวกญาติโยมหลายคนพากันมาจัดสำนักขึ้นทั้งสามบ้านถ้าหมูพวกอัตมาหนีไปก็จะเป็นโทษถึงาราชิกก็เป็นได้เพราะพูดวุกษาให้โยมจัดสนักถวายว่าตอนอยู่ไม่อยู่ของลอุปกรณ์ที่ออกมาสร้างขึ้นนี้คิดเป็นเงินราคาหลายบาทพระไม่อยู่ให้ก็เป็นการหลอกลวงพระเป็นโทษอย่างหนักหนีไม่ได้แล้ว ส่วนจะให้ย้ายสำนักไปตั้งที่อื่นก็ย้ายไปที่ใดไ ด, ได้เวลานี้ก็เดือนข้างแรงช่วนกับการเข้าพรรษาอยู่แล้วพวกคนก็ลงทํานากันหมดแล้วจะเอาใครมาช่วยยกกันไปได้หรือพวกโยงจานสังจะยกเองก็ได้แต่ให้ทันวันเข้าพรรษาอตมาจึงจะให้ยกไปจานสังจึงว่าพวกผมไม่รับยกแล้วเพราะพวกผมไม่ได้ทําการ ให้พวกเขาทั้งนั้นแหละมายกเขาพรเจ้าจึงมองดูพวกหมอลำก้อนเป็นต้นที่เป็นพวกมาตั้งสำ น, นักขึ้นและบอกจานสังว่าขอให้โยมไปบอกเขามายกให้ด้วยจานสังแก่ก็ไม่รับไปบอกอีกเขาพเจ้าจึงบอกว่าอาเช่นนั้นสำนักนี้ก็คงตั้งอยู่นี้ต่อไปเท่านั้นเองจานสังจึงพูดว่า ถ้าท่านอาจารย์ไม่นําพวกโยมของท่านที่ได้พากันมายกสํานักนี้ขึ้นไม่มายกนี้ไปจากที่นี่จริงแล้วพวกผมก็จะฟ้องต่อพวกเจ้าหนายเท่านั้นแหละก็พระเจ้าขอห้ามพวกจารย์สังหรือว่ายใดก็ไม่ฟังวันหลังพวกจารย์สังก็พาการมาพูดท้าทายกับกัะเจ้าว่าพวกผมมีนามีบัวมีควายมาก พอจะขายสู้ความกับท่านจนหมดเงินหมดทองของทั้งหลายนี้พวกผมจะฟ้องท่านจนถึงาสามศาลในจังหวัดนี้พวกผมนี่แพ้หรือชนะก็จะหยุดกันดอกดังนี้เกษตรเจ้าก็ได้ขอร้องว่าเย่ายวฟ้องอาตมาเลยอาตมายอมตัวกับพวกโยมจะนเรียกพวกโยมว่าพ่อออกพ่อออก คลื เ, เหมือนเป็นพ่ออัตมา ก, ก็จะไม่สงสารอัตมาผู้เป็นพระทั้งเป็นผู้จนๆอย่างนี้หรืออะไรก็ไม่มีจะสู้ความกับโยมเพราะได้ขอทานข้าวอาหารคือผู้โยมมาเลี้ยงชีวิตของอัตมาให้เป็นอยู่ไปทุกวันนี้เสียด้วยก็จะไม่มีความสงสารอัตมาบ้างหรือผู้จานสังก็ไม่ฟังเสียง ได้พา ก, กันเดินลงศาลาวัดอัตมาแล้วก็พา ก, กันเดินเข้าไปในเมืองเพื่อฟ้องศาลในอำเภอในอำเภอถามพวกจานสังจานสังก็ตอบตามเรื่องที่ได้พูดกันมาในอำเภอดูใหญ่ว่าเอาผีมาขึ้นศาลศาลอำเภอนี้ไม่ใช่ศาลผีทั้งกฎหมายชำระผีจะเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้ตั้งไม่มีจะเอากฎหมายไหนมาชำระให้แล้ว ท่านในอำเภอจันเสนเหนียนไปเอาโซ่มาจะจับพวกนี้มันเอาผีมาขึ้นศาลเราดังนี้พวกจานสังก็ห น, นีไปขึ้นศาลเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองได้สั่งสอนให้ออกจากการนับถือผีท่านว่าท่านได้สั่งให้้าปเจ้าออกไปขับผีให้ดีแล้วถ้าสิ่งใดขาดเขินท่านจะจัดมาถวาย้าพเจ้าให้ไปเอากับท่าน ท่านเจมืองบอกให้พวกจานสังลงจากสารของท่านไปจานสังก็ได้พาหมู่ไปสารยุติธรรมของต่อผู้พิพากษาท่านผู้พิพากษาก็โทษพวกจานสังว่าเอาผีขึ้นสารยุติธรรมของท่านท่านให้เสมียนเอาโซ่มาจะจับอีกท่านบอกพวกจานสังเอาเงินมาแปลงเพื่อเสียค่าปรับสารยุติธรรมของท่านอีก ห้าร้อยบาทเพราะหาว่าประมาทสานยุติธรรมพวกจันร์สังก็ได้วิ่งหนีกันอีกพากันไปขอร้องให้เจ้าคณะจังหวัดท่านพระครูพิสารให้ไล่เข้าไปเจ้าหนีให้ได้ท่านพระครูพิสารท่านบอกว่าฉันส่งพระไปสอนพวกเธอละผีดีแล้วมันจะยุ่งอะไรพวกจันร์สังเขาพระครูลาอีกสามวัน เขาไปฟ้องนายป่าไม้เรื่องตัดไม้มาทํากระท่อมในกรมป่าไม้ออกไปสืบสวนดูท่านอาจารย์สิงห์กับท่านอาจารย์มหาปินก็ออกไปด้วยวันนายป่าไม้ออกไปนั้นนายป่าไม้ท่านว่าพวกจารย์สางฟ้องผิดไม้เป็นกิ่งไปฟ้องว่าเป็นไม้เป็นต้นนายป่าไม้จิงว่าพวกจารย์สางฟ้องผิดทําให้ท่านเสียเวลา นายป่าไม้จะจับเขาอีกทั้งนายป่าไม้หาว่าพวกจันร์สังนี้เบียดเบียนพ ร, ระพุทธศาสนาทำให้พระยุ่งยากพวกนายป่าไม้จึงจะจับเอาจริงๆพวกจาร์สังก็ได้ขอร้องไม่ให้นายป่าไม้จับจนถึงกับร้องไห้นายป่าไม้ก็อนุญาตให้ไม้สี่ต้นใหญ่ๆมาทำกุฏิและศาลาวัดนั้นให้ถาวรขึ้น พวกจานสังรับรองคำนายฝ่าไม้ท่านจึงให้หยุดเรื่องกันไปเรื่องสํานักบ้านโศกแสงหมดเท่านี้ต่อจากนี้ไปผู้พทิทพรเป็นไข้เจ็ดวันตายจานสังเอาทิพพรไปทิ้งกลับมาได้ห้าวันตายทิพเรืองเอาจานสังไปทิ้งกลับมาเป็นไข้เจ็ดวันตาย ทิชชองกับอีกคนหนึ่งหัวหน้าเขาได้นำดอกไม้ทุกเพียนเป็นต้นขึ้นไปขอขมาข้าพระเจ้าเลยไม่ตายดังนี้แหละท่านยกครูดีกลับมาในเวลาพระอาจารย์สิงและพระอาจารย์มหาปิ่นออกไปราวนายป่าไม้ออกไปตรวจไม้ข้อองนั้นพระอาจารย์เลยสั่งให้ยาครูดีจับภาษาในสำนักนั้นส่วนตัวข้าพระเจ้า พระอาจารย์สิงห์ให้ไปจกภาษาสำนักป่าบ้านพระคือแต่นี้ไปเรื่องยังไม่จบเห็นว่าพอสมควรจึงขอยุติไว้เพียงนี้การศึกษาต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องการศึกษาของลุงปู่อ่อนยาณสิริเรื่องลำดับตั้งแต่ต้นจวบจนกระทั่งท่านในมรณะภาพ ลานลสังขารซึ่งพระจันโทรประมาจารวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดอรธานีพระหลานชายของท่านเป็นผู้เรียบเรียนไว้ในชีวประวัติสกุลวงศของพระจันทร์อ่อนยานัสิริ5ธันวาคมพุทธศักราช2524จึงขออนุญาตนำข้อความ ที่ท่านเรียบเรี่ยงไว้บางตอนมาเผยแพร่ต่อไปพุทธศักราช2461อายุได้16ปีโยมบิดามารดานำไปฝากเปินศิษวัด ท, ที่วัดจอมศรีตลาดเมืองเก่าอำเภอกรุมพวาปีกับ พระสมุทรีธรร ม, มทินโนต่อมาเป็นพระครูพิทักษ์ขณะนุการเจ้าคณะอำเภอคุณภาวาปีได้ศึกษาอักขรไทยลาวขอมเขียนได้อ่านออกเป็นอย่างดีและท่องจำสวดมนต์เจ็ดตำนานส2บสองตำนานได้อย่างคล่องแคล่วพุทธศักราช2462 ได้บรรพชาเป็นสัมมเนงกับพระสมุทรีธรรมทิโนโเป็นพระอุปชาได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่กับพระอุปชา3ภาษาพุทธศักราช2464ได้อุปสมบทกับพระกูจันทาคือเจ้าอธิการจันทาเป็นพระอุปชาคือไม่ทราบว่าใคร เป็นกรรมวาจาจารย์วัดบ้านปะโคตำบลปะโคอำเภอกุ้พภาวยีแล้วไปจำพรรษาอยู่วัดบ้านดอนเงินหนึ่งพรรษาพุทธศักราช2465วันที่7พฤสจิกายนได้ขอลาโยมพ่อโยมแม่ออกคุ ด, ดงกรรมฐานไปนอยู่กับพระอาจารย์สุวรรณ วัดป่าอรันิกาวาดอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพุทธศักราช2466ได้ฝึกขัดเรียนพระกรรมฐานอยู่กับท่านพระอาจารย์เสาจันตะสีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตยอมมอบกายถวายตัวเป็นติ่ิจิวตป่าบ้านคออําเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานี แต่เวลาเข้าพรรษาขอหลาดท่านเป็นจําพรรษาที่วัดป่าบ้านโพนสา อ, อําเภอท่าบอกจังหวัดหนองคายออกพรรษาแล้วกลับคืนมาหาพระอาจารย์ทั้งสองที่วัดป่าบ้านคอ อ, อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเพื่อฝึกหัดภาวนากับท่านและขอยติเป็นพระธรรมยุทธ์ด้วยแต่ท่านยังไม่ยินยอมให้ฝึกหัดภาวนาไปอีกหนึ่งปี ยินดีปฏิบัติตามคำสอนของท่านพุทธศักราชระราอย4 6 7อยู่จำพรรษากับพระอาจารย์ทั้งสองที่วัดป่าบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเพื่อฝึกหัดกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปและขอยัติเป็นพระธรรมยุตอีกท่านยินยอมแต่ต้องให้ท่องนวกโกวาส และพระปาติโมกให้จบเสียก่อนท่านจึงเอาหนังสือสองเล่มนี้มอบให้ท่องจึงได้ท่องนวกโกว่าด้วสี่วันจบท่องปฏติโมกด้วยเจ็ดวันจบจึงนําหนังสือทั้งสองเล่มนี้ถาวายคืนท่านท่านจึงยินยอมให้เจติถึงพระธรรมยุทธโดยที่พระอาจารย์เสาสัญตะสิโลเป็นผู้จัดเครื่องบริสฐานให้ส่วนพระอาจารย์มัน่นภูริทัตโต เัรจเครื่องบริการให้พระอาจารย์อุ่นคือท่านรูปนี้เป็นกระชาวอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม